วันนี้เป็นวันพระแรม14บ่ค่ำเดือนเก้าถ้าจะว่าไปก็คือเดือนเก้าดับพระเข้าพรรษาพระจำพรรษามาก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งวันนี้แปลว่าครึ่งพรรษา3มเดือนวันนี้ได้หนึ่งเดือนครึ่ง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 หรือวันไหนที่เราตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่ให้ขาดในการไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแต่ถ้ามันขาดเราก็พยายามทำเพิ่มไปอีกก็ได้เนี่ยทำไมมันขาดทำวันหนึ่งสองครั้งก็ได้พอมันขาดเนี่ยเผื่อที่มันขาดไปด้วยพบความตั้งใจของเราจะไม่ให้ขาดในการ ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นสิ่งเหล่านี้ให้พว ก, พวกเราพยายามพบทวนอย่าให้มันขาดตกบกพร่องไปได้ในเมื่อเราตั้งจิตแ น, แน่วแน่ตั้งจิตอธิษฐานด้วยสัจจะความจริงใจของของเราแล้วเพราะนั้นอย่าให้มันโกหกตัวเองนะในพรรษาพยายามให้เต็มเปี่ยมพยายามทาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าให้โกหกตัวเอง สรุปแล้วถ้าโกหกคนอื่นโกหกเราเราก็โมโมหแ ก, เ, กเขาแต่พอตัวเองโกหกตัวเองน่หะหัวเราะเฮ่เฮทั้งวันน่ะโกหกทั้งเช้าทั้งสายบ่ายเย็นว่าจะทำอย่างนั้นว่าจะทำอย่างนี้โกหกอยู่เลยแต่เขาโกหกหน่อยเดียวท่านเองโกหกลุกตา ลุกเป็นฟืนเป็นไฟโมโหให้เขาในสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดเหมือนกันนะทบทวนเพราะฉะนั้นอย่าพยายามอย่ากโกหกตัวเองพยายามทําให้ถูกต้องเนะมื่อเราได้ตั้งจิตแนวแน่ไว้แล้วนะอันนี้ก็ให้พยายามพวกเราพยายามทบทวนนะพยายามกลั่นกรองไต่ตองที่ผ่านมาเดือนเครื่องเนี่ยเราได้ทําอะไรไปบ้าง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 ให้แก่เปตรตญาติทั้งหลายคําว่าเปตรตยาธิ์แต่พวกเราดูแล้วเหมือนจะเป็นเปรตแต่ตามให้จริงมันเป็นวิญญาณนะอเป็น ว, วิญญาณที่ล่องลอยยังไปที่ไหนไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็นเลยตั้งชื่อว่าเปตญาติอื์ผู้ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลเปลตรตญาติ์นี่มีหลายระดับมีหลายระดับขั้นตอนบาง เปรตบางประเภทก็ไม่สามารถที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้ที่หมอกคลาเห็นเปรตที่ตีนเขาคี้จิกูดอย่างนั้นนะบางเปรตบางตัวก็ไฟลุกไหม้ลามถึงหัวถึงหางเปรตงนะูลักษณะเปรตงูอย่างนั้นเปรตยาวอ่างนั้นไฟถึงไหม้ถึงหัวถึงทะถึงตีน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 แย้มโอดโอกรรมของสัตว์นอ้อกรรมของปีญญาณทำกรรมดีไว้แต่นี้พระลักษณะก็ถามว่าท่านโมกขลาท่านดูดูแล้วท่านยิ้มเพราะเหตุอันใดพระโมกขลาก็บอกว่าไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าซะก่อนแล้วค่อยถามผมนะผมจะเล่าให้ฟังแต่นี้ถ้าพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ มันได้ยินน้อยคนเพื่อจะได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าว่าพระโมกคลาพูดองค์เดียวก็ไม่มีพระพุทธเจ้ายืนยันก็ไม่หนักแน่นลักษณะอย่างนั้นแต่นี่พอไปถึงสำนักตอนพระพักพระพุทธเจ้าพลักษณะก็ถามพระโมกคลาว่าท่านให้กระผมถามที่ท่านเยี่ยม เยี่ยมในตีนเขากิจะโกด้น่ะท่านบอกว่าให้มาถามในสนในาํานักพระพุทธเจ้าท่านเยี่มด้วยเหตุอันใดครับท่านโมกขาลาพั ก, ล, กพลักษณะถามพระโมกคลาท่านบอกว่าผมเห็นเปรตเห็นเปรตงูเห็นเปรตยาวตัวยาวมากเลยไฟไหม้ตั้งแต่ตีนจนถึงหัวไปจาหัวถึงตีน แล้วก็ลุกตรงกลางไม่ไปทางสองข้างเปรตตัวนั้นมีแต่ทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นเหมืพอนก้นพระพุทธเจ้ายืนยนันหมดเออใช่เราได้เห็นเปรตตัวนั้นตั้งแต่เมื่อเราได้ตัดสรตที่โครนต้นโพเราก็ได้เห็นเหมือนการเปรตตัวนี้บาปกรรมของเขาในอดีตชาติ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 ตอนี้พอวันนั้นอ่ะพอเขาไปหาขาโมยของเขาตีนของเขาก็เปือ้อนพอวันย่องไปกลางคืนตอนนี้เขากำลันอนอยู่ที่ศาลาศาลาของพระตอนนี้ท่านเศรษฐีท่านก็สร้างวัดเหมือนกับอนาถาปิฎกเศรษฐีนะสร้างวัดวัดป่าเชตวันอย่างนั้นอ่ะ แต่นี้แต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้ากัดสปะองค์ก่อนก่อนพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นในโลกว่างั้นแต่นี้ท่านก็เห็นคนนั่นนอนตีนโผล่ออกมาท่านก็บอกว่าเออไอ้นี่นมันไปยังไงเนี่ยเป็นคนจอจัดหรือเปล่าเนี่ยมันคงจะไปหาขโมยเขา้ามั้งเนี่ดูมันเหมือนกับคนย่ำเหยียบย่ำหากินกลางคืนเนี่ย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 จะว่าดูผิดได้ยังไงมันดูถูกละมั้งนั่นแหละว่าอันนี้เป็นโจรมันเป็นโจร ช, ชัดๆละมังนั้นแหละมันไปหากินกลางค่ากลางคืนมามันก็มานอนอยู่นะทีนี้มันก็โจรคนนั้นก็นเลยผูกอาคาดในเศษฐีคนนั้นเอาเถอะข้าจะต้องจัดการให้มันช้าใจหมันละมั้นทีแรกกับไปตัดเท้า วัวควายอยู่ในอคอกของเศรษฐีเพรเศรษฐีก็มีวัวมีควายเหมือนกันนะไปตัดเอ้เศรษฐีเรเอ้สงสัยแล้วสงสัยไอ้นั้นเราไอ้ที่เราไปเห็นนั่นน่ะมันคงจะโกรธให้เราก็มั่งหนึจากนั้นมามันก็ไปเผานาเศรษฐีเออคล้ายๆว่าอะไรของเศรษฐีนั้นมันจะไปรังแกเบียดเปลี่ยนหมด เศรษฐีก็นึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็คิดว่าไอ้นัดแหะไอ้ที่ไปพูดอยู่วัดนั่นแหะมันคนอื่นเราก็ไม่ได้ทําไม่ได้พูดอะไรแต่อันั้นเราพูดตรงเกินไปลักษณะอย่างนั้นเพราะมันมันไปนอนในวัดของท่านไปนอนที่ศาลาของท่านท่านไปเห็นเนี่ยท่านก็คงจะพูดให้มันเก็บใจสักหน่อยแบบนั้นเถอะมันนอนอยู่ยังไงมันเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกับโจนเน่ยลักษณะอย่างนั้นแต่มันก็เป็นโจนจริงๆแบบนั้นอ่ะแสดงมันก็เลยผูกอาฆาตในเศรษฐีนั้น ไปเผาบ้านเผาไล่เผานาเผาอะไรของเศรษฐีอยู่ห่างๆเหมือนเศรษฐีมันจะเผาบ้านเศรษฐีมัวคงเผาไม่ได้เพราะเศรษฐีมีบริวารมากใช่ไหมัมนจะทําอะไรมันก็เข้าไปใกล้เศรษฐีไม่ได้แต่มันอันไหนเป็นของเศรษฐีมันแบลังแกเบียดเบียนใ ห, ให้เศรษฐีเจ็บใจไว้เงั้ยเถอะเศรษฐีก็เฉยเผาไปเผาเผาได้เผาไปมันทำได้ทําไป เพอเศรษฐีเป็นจิตใจเป็นกุศลเนทนี้เขาก็เลยมาเผาเผาวัดพระพุทธเจ้าบัดเขาเผาสาลาพระสงฆ์บัดเผาสาราพาาะาาระสงฆ์ไหม้วอดเลยเทนี้มันโจดในนี้ม า, มาเผาอพอเผาเสร็จแล้วเทนี้เศรษฐีมาเหตุอีกทั้งที่เศรษฐีจะโมโหโกรธนะเศรษฐีกลับ ด, ดีอกดีใจตกมืออ๋อดี เราจะได้สร้างสาราอีกถวายพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์อีกเราจะได้บุญอีกรอบที่สองรอบก่อนเราสร้างไปแล้วได้บุญไปแล้วบัดนี้ไฟไหม้เราจะทำบุญอีกรอบที่สองอโจรคนนั้นก็ผิดหวังอีกว่าจะให้เศรษฐีเจ็บใจกับเศรษฐียิ่งดีใจขึ้นมาอีกเพราะจะได้ทำบุญรอบที่สองตอนนี้เศรษฐีกับพยายามก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย พอเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ก็ตอนที่จะถวายศาลาเสนาสนะในพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ทั้งหลายโจรคนนี้ก็เอาท่าขาวนี้จะเราจะจัดการตัดคอเศรษทีเลยละบาด น, นี่ถ้าเอ่ยขึ้นมาว่าคงเป็นโจรคนนั่นหละมาเผาสาลาของเราเนี่ยเราก็คงจะจัดการเลย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 ถึงจะกลับใจก็เถอะมันอาจจะกลับไปอีกก็ได้พราใจมีกิเลสเนี่เสรษทีท่านก็รู้เล่าเท่ารู้ทันท่านก็เลยปฏิเสธไปเลยนี่ละทนี้ถึงท่านจะให้อภัยยังไงก็ตามแต่กลรมตัวนั้นน่ะกรรมที่เขาก็ทำได้เผาเอเสนาสะนะสงสาราของพระพุทธเจ้าพร้อมระสมมันทำกรรมอย่างหนักห น, กหนาสาหโหทีเดียว พอตายจากภพนั้นชาตินั้นไปก็ตกนรกแทนนี่ยตกนรกอเวจยียาวนานจากนั้นก็มาใช้วิบากกรรมวิบากคือผลของกรรมที่ทำไปน่นะมันยังไม่หมดสิน้นวิบากมันยังมีอยู่วิบากกรรมยังมีอยู่ก็มาเป็นเปรตอย่างที่พระโมกขาลาเห็นนี่แหละอันนี้แหละแปลว่า ก, กรรมคือการกระทามันเป็นวิบากสืบเนื่อง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 การกระทำสิ่งใดก็าตามของพวกเรานะให้สําเนียกสํานึกไว้อย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีถ้ามันไม่ดีแล้วกรรมชั่วนั้นจะตามสนองเรานานเท่านานกรรมหนักกรรมเบ า, บางั้นถ้ากรรมเบามันก็ใช้ผลน้อยเหมือนขลุโทษระหูโทษอย่างนั้น่ะถ้าเป็นระหูโทษระหูโทษโทษเบาเนติดเนน้อยโทษสินไหมบังโทษจำคุกบางตักเตือนบัง ลงทันไว้บ้งางอ่อย่างเนี้ยแต่ถ้าหว่าโทษหนักเข้าไปก่อนจาคุกเท่านั้นปีเท่านั้นปีจนถึงถึงโทษประหารถึงโทษประหารอย่างมาแล้วประหารหลายครั้งอีกต่างหากโทษมันหนักว่างั้นแะ่อ่นะเพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีอคําคว่าดีนั่นคืออะไรมันไม่ดีนั่นคืออะไรคําว่าดีนั่นคือศินห้า พระพุทธเจ้าห้ามวาอย่ า, ยาทำแปลว่าคําสั่งสั่งว่าอย่าทำฆ่าว่าใครทำแปลว่าผิดคําสั่งผิดคําสั่งของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ว, ว่าอย่าทำอาย่าทำแปลว่าคําสั่งให้งดเว้นในการฆ่าสัตว์ทุกอย่างอธินาทานขโมยเขาทุกอย่าง โดยเจ้าของเขาไม่ได้ให้ให้ล่วงให้นมัดระวังสามีพัญญาของคนอื่นอย่าทำอย่ามุสาอย่ากโกหกคนอื่นอย่าทำอย่าดื่มทุราและเมลยัยอย่าทำอันนี้เป็นคำสั่งคำสอนนั่นคืออะไรท่านสอนว่าในเมื่อไม่ฆ่าสัตว์แล้วท่านจะไปนสะถานทิ่ใดท่านก็จะได้รับความปล่มเย็นเป็นถุขด้วยเมตตาของท่าน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 มีแต่ไปสู่ถ้าเกิดมาในเมืองมนุษย์กับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีออกทางกับไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นเทวุบุตรเทวดาอินพรหมถ้าผู้ใดมีศีลห้าถ้าว่าไม่มีศีลห้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่รับรองว่าเขาคนนั้นจะตกไปในนัสถานถินใดเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่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 สีเลนะนี่ปุ่ติงยันติผู้จะไปสูญพนิพานได้เพราะสินนะเพราะนั้นสินเนี่ยเราจะมองเป็นของเล็กน้อยไม่ได้สินคือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยในเมื่อรักษากายวาจาของเราเรียบร้อยแล้วเป็นรั้วกัน้นไม่เหุ้เราทําความชั่วแล้วเราก็มุ่งไปหวังไปในทางที่ดี เมื่อหวังไปทางที่ดีหันหน้าไปทางที่ดีพวกเราก็จะได้รับแต่ความสุขความเย็นใจเพราะอันนี้สงศินคลุมครองแต่ถ้าว่าคนไม่มีศินไปนัดสถานที่ใด <c oughs> เขาก็ต้องระแวงไว้ก่อนว่าเป็นคนดีหรือไม่ถ้าว่าไปทําสิ่งที่เขาไม่ไปเนื้อเชื่อใจเขาก็ต้องเตรียมตัวระวังอ่า ระวังหลายๆด้านอาจจะมาเกี่ยวกับทรัพย์สินของเขาอาจจะชีวิตของเขาด้วยอาจจะคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้มีศินและไปณนะสถานถิ่นใดความไว้เนื้อเชื่อใจไว อ, อกไวใจกันได้เพราะเป็นผู้มีศินแต่ถ้าว่าคนไม่มีศินแล้วไปทําราชการงานเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบยักยอกทรัพย์ชอบโกหก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 ทําให้เขาเดือดร้อนเขาคงจะไม่ทําให้ประเทศชาติเดือดร้อนเพราะเขาเป็นผู้มีสินนี่สินนี่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจสําหรับคนเราทุกๆคนที่อยู่ร่วมกันเพราะนั้นสินจึงมีคุณค่าสําหรับชุมชนของโลกถ้ามีศินอยู่ในโลกมากด้วยทุกคนมีศินอยู่ในโลกโลกใบนี้โลกประเทศชาติ ในยุคนั้นสมัยนั้นเวลานั้นโลกก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะโลกมีสินคลุมครองแต่ถ้าว่าโลกในยุคใดขาดสินไม่ถือว่าสินเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญต่างคนต่างทาตามความคิดความเห็นของตัวเองโดยมากความคิดความเห็นของตัวเองมันจะชอบไหลไปทางต่ำชอบไปไหลไปทางกิเลส ราคาบางังโทสะบาั้งโมหะบาั้งไปไหลไปใ น, ในทางที่มันชั่วช้าลามกมากกว่าเพราะนั้นโลกในยุคนั้นสมัยนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายอย่างโลกทุกวันนี้น่ะถือว่าศิลธรรมเป็นของเก่าของล่าสมัยไม่ได้นํามาใช้และเป็นยังไงถือว่าของที่อุปโล ก, กันขึ้นมาใหม่เป็นของทันสมัยเป็นของที่เลิศประเสริฐ ผลที่สู่กับข้าวฟันลันแทงกันแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละวันเนี่ยไม่เว้นไม่รู้ว่าข่าวตอนข่าวไหนตกข่าวไหนถ้าว่าลงทุกข่าวหนึ่งหนังสือพิมพ์จะไม่มีหน้าไหนที่จะไม่ได้ลงเพา ง, งั้นเถอะกระลงลงเป็นบางเรื่องบางราวแต่มันเรื่องราวมันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เพียงกับประเทศไทยนะถ้าว่าต่างประเทศเข้ามาอีก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 ศีลธรรมจริยธรรมมันอยู่ในอันเดียวกันถ้าคนมีศีลธรรมจริยธรรมแล้วโลกใบนี้ก็น่าอยู่นะน่าอยู่ร ะ, ะดับหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ถึงใจน่าอยู่แต่ทุกคนก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันในจุดนั้นคือไม่น่าอยู่อีกถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแต่โดยมากมันไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าน่าอยู่ไปเฉยๆเหมือนกับ หมูอยู่ในอคอกในเล้าอย่างนั้นน่ะหมูอยู่ในอคอกในเล้ามันก็ไม่ได้คิดไกลพอถึงเวลาก็เจ้าของก่เอาแกบเอาลำเอาอาหารเอาน้ํามาให้กินกินแล้วก็คิดไม่ได้คิดอะไรว่าข้าจะอยู่ไปทําไมจะอยู่ไปนานเท่าไหร่ไม่ได้คิดออพอใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ขึ้นมาได้ขนาดขนา ด, นาด เ, เจ้าของก็จับออกมาช่างระบายออพอช่างก็ปล่อยให้เขาไปละท่นี้ นั่นแหละพอเอาไปแล้วเขาไปทำอะไรเขาเอาเข้าโรงฆ่าสัตว์เขาเชือดคอได้เลยกว่าจะรู้ได้นอนตายไปแล้วเพราะเขาเชือดคอพอตายไปแล้วกันนั่นแหละเกิดอีก เ, อเกิดอีกในโลกนี่แหละเป็นหมูอีกอย่างเก่านั่นแหละอยู่เย็นเป็นสุกอีกอย่างเกา่าพอในส่วนเขาเชือดคอเองพอตายไปแล้วกัน ก่อนที่จะตายนะมันทุกข์มากแบั้นพวกเราเกิดมาในโลกถ้าจะพิจรารณาไปถ้าเปรียบเทียบกันมันก็คล้ายๆนั่นแหละแต่พวกเราไม่อยากจะคิดมันเฉยๆแต่ถ้าว่าคิดให้ดีแล้วมันลักษณะอย่างนั้นนะ mm hmm. เกิดมาก็สนุกสนาน mm hmm. เพลิดเพลินตื่นเริงเฮฮาสนุกสนานาแก่เท่าชรลาไปผลที่สุดน่นนะเวลาจะตายนายี่กระเสือกกระสน ที่ไปเห็นดูแต่ทํำยังไงได้ก็ตายไป ต, ตายไปแล้วก็เอาลืมไปแล้วสิกลับมาเกิดใหม่เป็นเด็กต่อใหม่ก็เป็นใหญ่ให่ใหขึ้นมาผลสูกก่กับตายอีกนี่แหละวัฏวุณของมนุษย์ชาติพระพุทธเจ้าเห็นแล้วมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงได้หาวิธีที่จะทํำยังไงถึงจะไม่มาเกิดอีกนะ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 สุขไม่ได้ในจุดนั้นเพราะนั้นจะทำยังไงจึงไม่ให้มีจุดนั้นแต่พบนี้ชาตินี้เป็นวิบากกรรมเราจะต้องได้พบได้เจอแน่นอนไม่มีใครหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้แต่เมื่อไปแล้วจะทำยังไงจะไม่ให้มันเกิดอีกให้มันหมดเชื้อไปเลยจะกัดสกัดเชื้อมันออกให้ได้อันนี้นคือเป็น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 ได้สั่งสมมาในอดีตชาติเต็มเปี่ยมแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถึงยังไงถ่าก็เดินถูกช่องถูกทางแล้วแต่ไจะได้ําเพ็นจิตตภาวนาอันไหนพามาเกิดใจพามาเกิดใจคืออะไรคือนามธรรมนามธรรมคืออะไรคือตัวที่รู้รู้อยู่เดี๋ยวเนี้ทุกคนในตัวรู้รนั่นแหละคือนามธรรมคือใจตัวนี้แหละเข้ามาครองร่าง มาอยู่ในร่างกายของเราทางว่าตัวนี้ไม่อยู่ถ้าตัวนี้ออกจากร่างไปแล้วร่างกายก็หมดสภาพตายว่างั้นแต่แต่ตัวนี้ใจตัวนี้แหละมาอยู่ครองร่างอยู่มาบัญชาอยู่นี่มาจับจองอยู่นี่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่เป็นการละละผลน่ะพลนี่ถูกพอใหญ่ขึ้นมาที่นี่สองสามเดือนขึ้นมานั่นแหละวิญญาณใจของเราเนี่ยเข้าไปยึดคลองระบาด ใหม่ๆก็คงเข้าๆออกๆนะว่างั้นแต่พอต่อมาเนี่ก็เข้าไปยึดมั่นแล้วแต่เนี่ยไปยึดมั่นกลัวคนอื่นปิญญาณอื่นจะเข้าไปแย่งไปยึดในร่างกายอต่อมาต่อมาถึงแปดเก้าเดือนอสิบเดือนก็คลอดออกมาแต่นี่เป็นคนเพราะนั้นใจของเรามายึดร่างกายเนี่ยว่าร่างกายเป็นของตัวเองเลยที่เนี่ยว่าเป็นของเราแท้ๆเลย ร่างกายเนี่ยตั้งแต่ขาสองแขนสองแยกกันไม่ออกว่าร่างกายเนี่เป็นของเราแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรุปทำท่านท่านได้พิจารณาท่านว่าท่านก็สอนใจของพวกเราท่านทั้งหลายใจผู้รู้เนี่ยท่านบอกเออร่างกายนี่นะกับเราเนี่ยมันคนละอันกันนะใจของเราไปถือปฏิสนธิไปยึดธาตุสีดินน้ำลมไฟไอตัวนั้นคือธาตุดินน้ำลมไฟมันเป็นธาตุสี เป็นรูปประธรรมส่วนานามธรรมในใจเข้าไปยึดครองจะ่าไปยึดถือว่าเป็ น, ปนตัวของเรานะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่ถึงจะ เ, เลี้ยงดีขนาดไหนดูดีแลดีขนาดไหนประคับประงงมงขนาดไหนร่างกายนี่ก็จะต้องแก่ไปเรื่อยๆผลในสุด ก, ก็เจ็บแล้วก็ตายมันไม่ใช่ของเรานะ ถ้าเป็นของเราเราก็บอกเลยอย่าแก่ไว้อย่าเจ็บนะอย่าตายมันก็ต้องฟังอันนี้ร่างกายนี่ไม่ใช่ของเรานะาร่างกายเนี่เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราให้เราอาศัยเขาไปอยู่จากชั่วงระยะหนึ่งช่วขณะหนึ่งจากนั้นก็จะต้องแยกย้ายจากการธาตุสีของมันก็เข้าไปสู่อย่างเดิมนะ่ะดิน ธาตุดินก็ไปสู่ดินธาตุน้ำก็ไปสู่น้ำธาตุลมก็ไปสู่ลมธาตุไฟก็สู่ไฟในร่างกายของคนเรามีธาตุีดินน้ำลมไฟดินคืออะไรธาตุดินก็คือสิ่งที่แข็งกระดูกพวกกระดูกพวกหนังเวลาตายไปแล้วก็เป็นดินส่วนธาตุน้ำก็คือพวกน้ำเลือดน้ำหนองน้ำหูน้ำตาน้ำบัสสวะนี่คือน้ำเวลาคนตายไปเนี่ยมันท่างกายแตก มันก็ซึมซึบลงไปซ้มซับลงไปในดินไหลไปตามน้ำส่วนาธาตุลมหายใจเข้าหายใจออกลมอยู่ในร่างกายอันนี้ก็อาศัยลมพอรา่างกายตายไปแล้วก็ขึ้นอืดร่มอยู่ในท้องก็มีอยู่แต่ลมหายใจเข้าออกมันหมดแล้วผลทีสุดเวลาแตกเข้าไปลมก็ออกไปสู่อากาศเป็นลมส่วนาธาตุไฟร่างกายขณะ น, นี้อบอุ่นเผาอาหารให้ร่างกายของเราอบอุ่น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 นั่นละคือใจพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้พวกเราได้รับรู้รับทราบว่าร่างกายเนี่เหมือนกับรถอย่างนั้นจิตใจเหมือนกับคนขับรถอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันพอรถมันแตกใจก็หนีออกจากร่างไปปฏิสนธิใหม่อีกนี่แหละไปอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆืยไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นล้วมันน่าเบื่อจริงๆเกิดมาแล้วก็ มีความสุขแบบหมูอยู่ในเล้าอย่างนั้นน่ะแต่พอจะตายขึ้นมาเขาจะเชิดคอขึ้นมากดิน้นผ่าด์ผาด์ร้องเออก้อซะแล้วก็ตายไปตายไปก็ลืมหลงหลืมอีกเพราะอวิชชาคือความหลงมันมีอยู่แล้วต่ อ, อกเกิดเกิดขึ้นมากดติดพบติดชาติติดราคะติดโทสะติดโมหะติดรักติดหลงเข้ามาอีกพออย่างนั้นก็ลืมต่อไปก็แก่เท่าจะลาตายเอก็ก มันวกวนเวียนอยู่อย่างนี้ในกามโลกลูประโล ก, ล ก, โลกอรูประโลกเลยวอกวนเวียนอยู่เพราะนั้นท่านจึงว่าใจดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวอยู่ในภพทั้งสามกาลมะโลกลูกประโลกอรูประโลกสูงสูงต่ำต่ำร่มร่มรอนรอนอสุขสุขทุ ก, ท, กทุกอยู่อย่างนี้นะวางภพวางชาติก็เอ า, เอาบาปกรรมให้ผลกับหูหนวกตาบอดบ้าไปเสียจิตผิดมนุษย์ธรรมรา บางพบบางชาติเออเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีล่ำรวยมีเงินทรับสมบัติเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตเป็นไปได้ทั้งนั้นใจดวงนี่แต่ถือยังไงก็ตามก็อยู่ในวัตตะสงสารนันนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ปำเพ็ญบำเพ็ญมาอยู่ตลอดให้ท่านรักษาศีลมากน้อยปรารถนาให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอน า, นาคต อย่างที่หลวงปู่ล่าท่านบอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหาเวลากาพุโทโธธรมโมสังโคนิพพานังข้าพเจ้ากา พ, ธธาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานถึงจะเดินโยกรมยกมือขึ้นหัวพุโทโธธรรมโมสังโคนิพพานังข้าพเจ้าเดินโยกรมเพื่อต้องการพระนิพพานเวลาเราจะนั่งภาวนา ยกมือขึ้นพุทธโธธรรมโมสังโฆนิพานังเข้าไปเจ้านั่งภาวนาเพื่อหวังพระนิพพานะก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะทำสิ่งใดก็ตามท่านหวังโพธิญาณให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะอันนี้ก็คือความมุ่งมั่นคือความตั้งใจ้วยความปรารถนาของพวกเราไม่ใช่ปรารถนาทางต่ถ้าปรารถนาทางต่าเป็นกิเลสนะปรารถนาพ้นทุกข์เนี่ย นี่ละเป็นมักมักค่ะคือหนทางที่จะไปสู่คุณงามความดีเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะพยายามสั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่าประมาทตายแล้วไม่สูญหลวงพ่อพูดคำนี้เกือบทุกครั้งให้เตือนใครสรุปแล้วก็คือเตือนพวกเราที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ที่ท่านได้เห็นเปรต อย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นพระโมกคลาเห็นเปรตถ้าตายแล้วจะเป็นเปรตได้ยังไงตายแล้วศูนยนี่พระโมกคลาท่านเห็นจากนั้นท่านก็พูดในพระไตรปิฎกหลายขั้นหลายตอนถ้าเราได้ศึกษาแล้วพระพุทธศาสนาพรุทธเจ้าพราหมวกทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเน้นหนักไว้บอกกล่าวเอาไว้ว่าตายแล้วต้องเกิดอีก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 ในทานในศีลบางคนก็ไม่หนักในภาวนาบางคนก็หนักภาวนาไม่ได้หนักในทานในศีลสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะให้เสมอเหมือนกันน่ะยากเพราะนั้นระดับจิตใจของคนเราระดับการเป็นอยู่ของพวกเราปนยึกแปดแ ต, ตกต่างกันกรรมจำแนกสัตว์ให้เกิดในที่ต่างๆเป็นวิถี การดำเรงชีวิตต่างๆกันไม่เหมือนกันนี่แหละกรรมจำแนกกรรมจำแนกสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลา ย, ยาากรรมมูนีนาวัตตีโลโ ก, โกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้แล้วเพราะนั้นพวกเราให้ทาแต่กรรมดีนะอย่าไปทำกรรมชั่วถ้ากรรมชั่วแลว้วอาัะาตังลู ก, กตังเสยโยปัชา ต, ตปฏิลู ก, กตัง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 ตัมลงสติเฉพาะนาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโททธทำจิตให้หนึ่งจากนั้นกับพิจารณาร่างกายร่างกายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดมันมีอะไรบ้างธาตุสีมันเป็นยังไงมีธาตุสีมีดินมีน้ำมีลมมีไฟอยู่ในร่างกายของเราจริงไหมกระดูกนะคือธาตุดินพวกเนื้อหนังของแข็งทั้งหลายผมคือธาตุดิน และธาตุน้าคืออะไรธาตุลมนั่นคืออะไรธาตุไฟนั่นคืออะไรอยู่ในร่างกายใจของเรามายึดธาตุสีว่าเป็นตัวตนของเราเมันจะมั่นคงถาวรขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกสลายในที่สุดจากนั้นเราก็ทุกเป็นทุกทรมานลบะบ้านถ้าเราไม่ได้พิจารณาเอาไว้ก่อนนะถ้าเมื่อเราพิจารณารู้เท่ารู้ทันว่าร่างกายเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงถึงจะมีอะไรมากระทบ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 เราเป็นผู้ได้รับทั้งนั้นเพราะนั้นให้พวกเราทั้งอกตั้งใจนะประพุทธปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วท่านรู้แล้วโลกก็นี่ไม่น่าอยู่ท่านยึ่งยกมือเลยลาแล้วไปแล้วไม่เอาแล้วแต่พวกเราเอามันสู้มัน อ, อยู่อย่างนั้นกิเลสผลทน่สุดไม่เห็นใครได้สักคนใครว่าจะเอามันเก่งกว่ามันผลที่สก็ ห้อยหลังทุกคนกระดูกตัวเองเอาไปด้วยไม่ได้ทิ้งอยู่ในกองเมนอย่างนั้นผลใน่สุดเอาไปลอยอังคารจนไม่วัดไม่ไหวอ่างั้นแต่ไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติมาแล้วเพราะนั้นพวกเราพยายามทําหนทางให้สั้นเขานะใหภาวนานะอย่ามาเกิดอีกในวัฏสงสารตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ ใ, ใจมันมีเชื้อคือกิเลสราคะโทสะ กรรมจัดด้วยศีลสมาธิปัญญาจากนั้นเชื้อมันก็จะหมดแตาพร้อมเชื้อกิเลสราคะโทสะหมดแล้วนั่นน่ะใจหมดเชื้อแล้วมีแต่นิพพานังประมังศูนย์ยังนิพพานเป็นศูนย์เชื้อมันนิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ต้องถามใครอยู่ในตัวของเราพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆคนที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละนะถ้าตอนนี้ไปนั่งสมาธิ เลยหละนะที่นี่นะมริกรพุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่งกัสจามั